แต่ถ้าของเราทั้งหลายเนี่ยนะก็ยังได้รับอารมณ์ ท, ทั้งที่ดีและไม่ดีเป็นต้นเนี่ยราคะโทสะโมหะก็ยังเกิดอยู่ทีนี้เมื่ออารมณ์เหล่านั้นยังเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะมีอยู่ทําอย่างไรหนอเราจึงจะข้ามอบายได้นนสิ่งที่น่าคิดนะว่ารับอารมณ์ทั้งหลายแหลอารมณ์ที่ปรากฏในทวารต่างๆเนี่ยนะคิดยังไงจึงจะข้ามอบายเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราหน้าหน้าคิดเป็นเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคิดถึงอะไรก่อนข้ามอบาย คิดถึงศีลเนี่ยนะอย่างน้อยนะมานฑสิการอะไรก็ตามอ่ะคิดถึงศีลก่อนอันนั้นข้ามอาบายถ้าจะข้ามกรรมมาพบก็คิดถึงสมถะถ้าจะข้ามจากวัฏฏะทั้งปวงก็วิปัสนาเนี่ยนะแต่จะข้ามได้จริงๆต่อเมื่อสมถาวิปศีลสมถาวิปัสนสปาประชุมกันนะถ้าไม่ประชุมยังข้ามไม่ได้เนี่ยนะก็ทำยังไงให้เข้าประชุมกันให้ได้นะศีลซึ่งปกติก็คือวีรตีใช่ไหม เอาวีระตีมาผสมกับมร์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจริงจริงมันคนละคนละดินแดนอยู่แล้วใช่ไหมแต่เอามาทําให้เกิดขึ้นได้ถ้าพื้นฐานปกตินะเราเจริญแต่วิปัสนาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาโดยที่กุศลศีลไม่ค่อยคิดถึงเลย <S <S <ม>เอ็นไปได้ไหมที่ว่าเจริญวิปัสนาไปอยู่ๆว่างๆ ว, วีระตีเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในมร์เนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่เจริญไม่ตั้งแต่แรกๆนะเพราะฉะนั้นก็ ฝึกสมาทานอธิษฐานให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาธิษาส ม, มาอาชีวะเนี่ยให้เกิด น, น, นให้เกิดบ่อยๆได้ยิ่งดี<อ>เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยจะค่อยๆเป็นอุปนิสยัยเป็นปัจจัย<อ>เมื่อเจริญสมถาวิปัสนาวีระตีทั้งหลายก็จะเข้าไปเป็นสัมปยุตตาปัจจัยเนี่ยนะทำให้ตรัสรู้อริยสัจได้เนี่พวกนี้ว่าปกตูปานิสยปัจจัยอย่างเดียวเนี่ย อริยมรรตเอ่อวีระตีนะที่จะเป็นปัจจัยแก่อริยมรรตในเบื้องต้นนี้สําหรับผู้ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อจะเจริญอริยมรรตเนี่ยนะทาทุกอย่างเจริญกุศลทุกอย่างแล้วน้อมไปเพื่ออริยมรรตตั้งแต่บเบื้องต้นเลยเช่นการให้ทานก็ตั้งอัธยาสายเพื่ออริยมรรตดังที่เราปรารถนาใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดขอให้เราตรัสรู้ธรรมะนั้นด้วยเ น, นี่ยนะอัน เป็นการตั้งกุศลเพื่อเป็นอกตูปะนิสยะปัจจัยเป็นเหตุธรรมที่มีกําลังที่จะให้อริยมรคนั้นน่ะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เริ่มตั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆศีลกุศลแต่ละศีลที่อนะันนเคยเคยคิดนะว่าเว้นจากกานาธิบาศครั้งนี้เนี่ยนะจงเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรคให้อริยมรคเกิดเว้นจากอาทินนาทานครั้งนี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่ออริยมรคเว้นจากการเมสุมิฉาจารเป็นต้นเนี่ยนะ เว้นทางกายหรือทางวาจาก็ตามความงดเว้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยตั้งอัธยาศัยเพื่ออรอยิยมรรคเลยถ้าไม่ตั้งใจไว้อย่างนี้นะยกุศลเราก็เจริญไปแต่ว่ามรรคจะไม่เกิดสักทีหนึ่งพราะสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยเราทํากุศลไว้ไม่ใช่น้อยใช่ไหมทําไมกุศลเหล่านั้นไม่เป็นอุปนิสัยแก่มรรคสักทีหนึ่งเพราะเราไม่เคยตั้งไว้ก่อนไม่เคยมีอัธยาศัยที่จะน้อมไปเพื่อ อริยมรรคเนี่ยนะเหมือนกับว่าเรานั่งรถบ่อยเมื่อก่อนเนยะเราก็มีค่ารถมีรถมีอะไรใช้ไปเรื่อยแต่ไม่เคยตั้งอัธยาศัยเพื่อจะไปไหว้พระเจดีย์ถึงจะนั่งรถไกลขนาดไหนก็ไม่ได้กราบพระเจดีย์เพราะเราไม่มีตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อจะไปกราบพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะชั้นใดก็ดีถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุอริยมรรคไม่ตั้งอัธยาศัยเพื่อแทงตลอดพระนิพานเวลาเจริญกุศลทั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนะียกุศลเหล่านั้นจะไม่เป็นอุปนิสัยแก่ อริยมรรคกุศลเหล่านั้นจะเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะความในปฏิปทาสูตรเนี่ยนะปฏิปทาสูตรสังยุตติกายนิทานอวักเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่าสังขารที่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยนะถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทามหากุศลที่เป็นตายแก่สุขติกรมภูมิสิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นมิจฉาปฏิปทากุศลที่เป็นตายแก่รูปประภูมิหรืออรูประภูมิทั้งหลาย อันนั้นทั้งปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารหรืออปุญญาพิสังขารพวกนี้ทั้งหมดเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะว่าเป็นปฏิปทาเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดขันหานะเป็นปฏิปทาที่เพื่อสร้างขันหาอันปฏิปทาใดที่เป็นไปเพื่อสร้างขันห้าถือว่าเป็นปฏิปทาที่ผิดส่วนสัมมาปฏิปทาก็คือปฏิปทาเพื่อนําออกจากขันห้าอันนี้จึงเป็น สัมมาปฏิปทาท่านบอกว่าแม้แต่ทานน ก, กุศลเป็นต้ น, า น, นการให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อมรักผลนิพพานอันนี้เป็นสัมมาปฏิปทาแม้ในพระสูตรอื่นๆก็เหมือนกันพระองค์ให้ตั้งจิตเพื่อปรารถนาพระนิพพานเแนะนําชี้แจงว่าให้ตั้งจิตเพื่อปรารถนาพระนิพพานไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลธรรมเหล่าใดก็ตามให้ตั้งอัธยาศัยเพื่อพระนิพพาน การตั้งไว้อย่างนี้นะอ่าตรงนี้แหละที่เราจะเป็นบุญเก่าที่จะทําให้พระพุทธเจ้าตรวจเจ อ, อนะแพ่ขายพยานแล้วก็ตรวจเจอใช่ไหมมันจะตรวจไปตรงไหนก็มืดมันเหมือนกับเคยไหมเคยมีญาติแล้วเรารู้พอเข้าใจธรรมะบางอย่างไหมจะไปสงเนะคราะห์เขาอนะนึกหาประเด็นคุยกันไม่ได้เลยอ่ะอไปเข้าช่องไหนก่อนนะให้สมมติจะชวนเข้าไปให้ทานเนี่ยนะ กับคนตระหนี่ไม่รู้จะคุยช่องไหนว่าจะให้เขาให้ถามได้นะแต่คนทุศีลไม่หาไม่รู้จะหาช่องตรงไหนให้เขารักษาศีลแล้วคนที่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่นนผลของกรรมเลยนะไม่รู้จะแนะนําตรงไหนให้ศึกษาธรรมะมันยาก น, นะเพราะเขาไม่มีอัธยาศัยเลยนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าเราเกิดในยุคใดสมัยใดก็ตามถ้าเราตั้งอัธยาศัยเอาไว้นะถึงไปเกิดเป็นเทวดาในจักรวาลอื่นเราก็จะต้องมาฟังธรรม ในมหาสมัยสูตรเนี่ยนะเทวดามาจากหมื่นจักรวาลนี่ยมาฟังธรรมแล้วบรรลุอ่ะเนี่ยนะมาเป็นหมื่นหมื่นจักรวาลอันนี้เพเทวดาที่มาบรรลุนั้นอ่ะมาตรัสรู้ไม่ใช่เทวดาจักรวาลเดียวแม้กระทั่งพรมสิบแปดโกรธที่บรรลุอ่าในธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ไม่ใช่พร điều, มที่มาจากจักรวาลเดียวเนี่ยนะมาตั้งร้ายหมื่นจักรวาลอันนมาเป็นหมื่นหมื่นจักรวาลนะที่ที่เข้ามาตรัสรู้ธรรม อันผู้ใดก็ตามถ้าตั้งอัธยาศัยเพื่อตรัสรู้ธรรมถึงหลุดจักรวาลไปแล้วนะก็ยังได้ฟังธรรมหรือพระพุทธเจ้าก็ตามไปสงเคราะห์เข้าในจักรวาลอื่นได้ในหลายๆแห่งอกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าไปจักรวาลอื่นไหมบอกไปไปแสดงธรรมให้เขามีอุปนิสัยให้เขามีอัธยาศัยอั้นการศึกษาพระธรรมของเราท่านน้อมไปจนเป็นอัธยาศัยสักวันหนึ่งก็คงตรัสรู้แน่ ถึงจะอยู่ในตอนใดก็ตาม น, นะเขาบอกว่าตระกูลไหนมั่งที่ไม่ได้บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลไม่มีโดยที่สุดแม้ตระกูลเก็บอุจาระก็บรรลุขอให้ตั้งอุปนิสัยไว้เถอะตระกูลชาวประมงก็บรรลุนะอย่างพระยะโสชาเนี่ยที่เอตทัคฆะด้านอเนชชาสมาบัติเนี่ยนะที่ทำนานในเรื่องอารูปสมาบัติเนี่ยท่านก็เกิดตระกูลชาวประมงานายพรานโกกุตมิตรเนี่ยนะ ทีบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็เกิดในตระกูลนายพานพระสุเนตะเนี่ยนะก็เกิดในตระกูลคนเก็บอุจจาระเนี่ยนะคนเก็บอุจจาระหาบหาบอุจจาระไปทิ้งเนี่ยนะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีรถดูดแบบสมัยนี้ใช่ไหยก็ต้องหาบเอาไปทิ้งกันดังนั้นโดยที่สุดแม้แต่ตระกูลกษัตริย์ก็บรรลุมรรคผลนิพพานตระกูลไหนก็ตามก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้หมดถ้าตั้งอัธยาศัยถ้าเป็นผู้ที่มี บู์เก่าตั้งความปรารถนาเอาไว้ดีแล้วผู้การถามว่าถ้ายัางไ้ต้องขยันตั้งไหมบอกว่าถ้ายิ่งคนที่ยังไม่ค่อยปรารถนาบรรลุนิพพานใกล้นักนะพวกนี้อาจจะตั้งวันละครั้งเป็นต้นก็ยังดีแต่ถ้าพวกเจริญวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องนะพวกนี้จะตั้งเกือบทุกชั่วโมงเห็นไหมก็บอกว่าเขาคิดยังไงนบอกบอกว่าวันนี้ต้องบรรลุให้ได้ อันนี้คือเขาตั้งของเขาอ่ะเขาตั้งว่าวันนี้เขาจะต้องบรรลุจะต้องบรรลุภายในเช้าวันนี้ให้ได้บรรลุภายในเที่ยงวันนี้ให้ได้เ น, นี่ยอันเนี้ยคือการตั้งของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนยิ่งใกล้บรรลุเท่าไหร่นะยิ่งตั้งบ่อยเท่านั้นถ้าบรรลุห่างเท่าไหร่นะตั้งน้อยเท่านั้นนะนีก็ก็ของเราดูว่าใกล้หรือไกลก็ journey, สังเกตเอากันแล้วกันว่าเออถามว่าถ้าตั้งเนี่ยถามว่าตั้งตั้งด้วยความสุดจริตใจนะ คือตั้งใจตั้งจริงๆมันไม่ใช่ว่าคือตั้งเผื่อๆไปอย่างนั้นห่ะนะ่ยอาสวัคยาวหังนี่พานางโหตัวว่า ง, งานกอเอออนาคเตกาเลยเดนะังพียังพ่วงเข้ามาอีกเลยเอให้บรรลุเหมือนกันแต่ว่าขอระยะยาวหน่อยนะอะไรเงี้นีมีผู้ถามว่าเอางั้นเอาอัตราที่ไหนไปตั้งเลยไหมมีอัตราที่ไหนไปตั้งสรุปอัตรามีหรือไม่มีคิดให้ดีนะก็ลองอัตรามีหรือไม่มี อัตตาของเดียรถ์ถีไม่มีแต่อัตตาของพุทธเจ้ามีถามมาขัดกันนั่นแนหะมีอยู่สูตรหนึง่งก่อนใกล้จะดับขันปรินิพานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเห็นะหถามว่าอะไรชื่อว่าตน สิ่งใดก็ตามที่ช่วยอุปการะต่อเราเนี่ยนะสิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นตนก็ได้เนี่ยนะอย่างเช่นเคยได้ยินนะคำว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะหรือกรรมสกตายานเนี่ยอย่างไรเรียกว่ากรรมสกตายานคือปัญญาที่อย่างรู้ว่าอกุศลเนี่ยไม่ใช่ของตนอกุศลเนี่ยเป็นผลของตนเรียกว่ามีกรรมสกตายาน ก็สิ่งใดที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้สิ่งนั้นจะเรียวกว่าของตนไมไหมล่มนะก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นกุศลธรรมทั้งหลายนั่นแหละเป็นผลของตนอันนะัความรู้แบบนี้เรียกว่ามีกรรมสกตายานส ก, กะที่เรียตนตัวนั้นเนี่ยนะหมายถึงรู้ว่ากุศลเนี่ยมีอุปการะต่อตนอากุศลไม่มีอุปการะต่อตนเลยทีนี้คําว่าตนในที่นี้ก็เหมือนกัน ตนที่บอกว่าจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม้ถึงกุศลธรรมทั้งหลายนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งอัจฉกะคือภายในเนี่ยนะไม่ใช่ภายนอกอนะหรือว่าจนไม่มีตัวไม่มีตนเลยอะไรสักอย่างแล้วถ้าไม่มีตัวตนอ่ะนะถ้าเป็นวัวนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรเรียเป็นตัวกระรือสีเรียกเป็นอะไรเอาแล้วไม่มีหรือตกลงวัวกระรือสีมีหรือไม่มีนะก็นั่นแหละ ก็เป็นสรรพนามเฉยๆคำว่าตัวตนในที่นี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวตนแบบเดียร์ถีซึ่งเดียร์ถีสําคัญผิดเช่นเดียร์ถีบางกลุ่มสําคัญว่ารูปเป็นอัตตาเดียร์ถีบางอย่างสําคัญว่าเวทนาเป็นอัตตาบางกลุ่มสําคัญว่าสัญญานี้เป็นอัตตาบางกลุ่มสําคัญว่าสังขารเป็นอัตตาบางพวกสําคัญวิญญาณว่าเป็นอัตตานี่ยนะก็คือเขาสําคัญผิดในขันห้า แต่คําว่าตนในที่นี้หมายถึงภายในไม่ใช่คนอื่นทีนี้ในภายในตัวไหนมัางอ่ะพอจะเอาเป็นที่พึ่งได้บ้างอา่ะในร่างกายเนี่ยก็อเอาจิตจิตมีทั้งสี่ชาติเอาจิตชาติไหนล่ะเรงั้นคําว่าตนในที่นี้จึงเน้นไปที่กุศลทั้งที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตระสิ่งนี้จึงเป็นที่พึ่งของตนอย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนีก็ช่วยเหลือตนหนักๆเข้าถ้าตนไม่มีจริงๆอ่ะนะสาทุกข์ข่อยไม่มีจริงๆอ่ะนะ ไม่ใช่ว่าเวลาจะทําบุญนี่กลัวเป็นตัวเป็นตนน่ะนะแต่ทําบาปไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้เข้าใจผิดอย่างมากนะถ้าทําบาปแล้วไม่เห็นพูดเป็นตัวตนอะไรสักอย่างอ่ะนะทีทําบุญแ ล, ล้วกลัวตัวตนมากถ้าอย่างงี้นะให้รู้เธอว่าเข้าใจผิดอย่างอย่างมากเลย